บุ๊ทูสิบสองเครื่องดื่มนาโปยดิฉันดื่มชาค่ะ ย, ยาพิュชัยดิฉันดื่มกาแฟค่ะ ดิฉันดื่มน้ำแรค่ค่ะคุณดื่มชาใส่มะนาวไหมคะคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะคุณดื่มกาแฟใส่น้ำตาลไหมคะ คุณดื่มน้ำใส่น้ำแข็งไหมคะมีงานเลี้ยงที่นี่ ค, คนกำลังดื่มแชมเปญคนกำลังดื่มไวน์และเบียคนกำลังดื่มไวน์และเบีย คุณดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ไหมคะอโโคุณดื่มวิสกี้ไหมคะฉัดื่มกคุณดื่มโค้กใส่เหล้ารัมไหมคะคมมด่ิฉันไม่ชอบแชมเปญฉันไม่ชอบแชมเปญ ทดิฉันไม่ชอบวนย Я не люблю вина ดิฉันไม่ชอบเบียร Я не люблю пива เด็กอ่อนชอบดื่มนม Немовля любит ь молоко เด็กชอบดื่มโกโก้และน้ำแอปเปิ้ล д т и любить к а а о і яблучний с і ผู้หญิงชอบดื่มน้ำส้มและน้ำเกรฟฟรุต